สโนไว t e และโรส r ร d กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วที่หมู่บ้านเล็กๆในเมืองเล็กๆมีผู้หญิงคนหนึง่งอาศัยอยู่กับลูกสาวสองคนพวกเธอชื่อสโนไว t e และโร e d รดสโนไว t e เป็นคนขี้อายและใจดีและโรส r ร d เป็นคนที่มีพลังงานเยอะและขี้เล่นเธอมักก่อเรื่องต่างๆอยู่เรื่อยๆ <c oughs> ระวังโรสอย่าเร็วไป เตือนเธอแล้วนะโสนไวและโรดเรดจะช่วยแม่ของเธอทำงานบ้านทุกวันเมื่อทำงานเสร็จแม่ของเธอจะเล่านิทานให้พวกเธอฟังเธอทำแบบนี้จนเป็นเรื่องปกติจนกระทั่งเข้าหน้าหนาวก็เริ่มมีเรื่องที่น่าสนใจเกิดขึ้นคืนหนึ่งระหว่างที่คุณไว้ได้อ่านนิทานให้ลูกๆของเธอฟังพวกเธอได้ยินเสียงเคาะที่ประตู พวกเธอทั้งสามคนสะดุง้งเธอมองดูประตูด้วยความกังวลกังวลว่าใครอยู่หลังประตูนั้นอย่า ก, กังวลไปเลยนะน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวที่มาถามทางเดี๋ยวแม่จะไปเปิดประตูเองไม่ค่ะแม่เดี๋ยวหนูทาเอง อ, อ, โอ้โอ้กลัวไม่โอ้พระเจ้านั่นอะไรนะ ไม่อ๋อพระเจ้ารื่องอะไรนะได้โปรดหยุดร้องฉันเป็นแค่หมีเงียบถอหน้าได้โปรดฉันเจ็บหูฉันแค่ต้องการความช่วยเหลือฉันหนาวแล้วก็หิวมากพวกเธอทั้งสามหยุดร้องววายเมื่อหมีพูดเขาไม่เหมือนกับหมีตัวอื่นเสียงเขาช่างอ่อนโยนพวกเราขอโทษเข้ามาเถอะพวกเธอทั้งสามมองดูหมีแล้วให้หมีเข้ามาในบ้าน ตัวของนายมีหิมะเกาะอยู่ให้ฉันช่วยนะโอ้ไม่ได้ปลอดหยุดเธอไม่นี่มันแย่มากพวกเธอทั้งสองไม่ไม่ไม่ไมเอาละพอได้แล้วลูกทั้งสองให้เขาเดื่มอะไรอุ่นๆไปเอาผ้าห่มให้เขาด้วยนะโรสคืนนั้นความสัมพันธ์แบบเพื่อนได้เริ่มขึ้นตลอดจนหมดหน้าหนาว ทุกๆวันหมีจะมาที่บ้านของพวกเธอพร้อมกับของขวัญพวกเธอจะแบ่งความอุ่นของเตาผิงให้อ่านหนังสือให้หมีฟังพวกเธอทั้งสองชอบให้หมีมาอยู่ด้วยเวลาผ่านไปฤดูหนาวได้หมดลงถึงเวลาที่หมีจะต้องกลับไปเธอไม่ใช่เพราะคำสาบฉันคงไม่พบพวกเธอทั้งสองนายหมายความว่ายังไงคำสาบอะไรเหรอนายไม่จำเป็นต้องไปนายอยู่กับเราได้ ฉันต้องไปแล้วขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่ทำให้ฉันแต่ว่าตอนนี้ฤดูหนาวหมดแล้วฉันต้องไปแล้วหมีก็จากไปทิ้งเพื่อนที่เขารักมากไว้ข้างหลังหลังจากนั้นสองสมวันสโนไวและโรดเรดเดินเข้าไปในป่าเพื่อเก็บผ ล, ลไม้และกิ่งไม้ทันใดนั้นพวกเธอได้ยินเสียงประหลาดเสียงร้องมาจากข้างหน้าของพวกเธอ พวกเธอเดินตามเสียงและเห็นบางอย่างที่ประหลาดขนแคละกับหนวดที่ยาวของเขาติดอยู่บนต้นไม้ที่ล้มลงแล้วเขาก็กระโดดขึ้นลงตะโกนร้องในความเครียดว้าวเอ้ยเจ้าหนวดกีเง่าเจ้าต้นไม้บ้าหยุดจ้องได้แล้วเจ้าทั้งสองคนแล้วมาช่วยฉันได้แล้วเร็วๆสิพวกเธอวางของลงและพยายามดึงและยกต้นไม้เท่าที่พวกเธอจะทาได้<อ>พวกเธอ พยายามอย่างที่สุดเท่าที่พวกเธอสามารถทำได้แต่แล้วพวกเธอก็ยอมแพ้ทันใดนั้นโรดเรสก็คิดออกคนแคละยังคงกระโดดขึ้นลงจนเขาเห็นสิ่งที่โรดเรสถืออยู่ในมือไม่ไม่เดี๋ยวก่อนนี่นี่เธอคิดว่าจะทำอะไรไม่นะไม่หยุดนะไม่โอ้คนมีค่าของฉัน พวกเธอตกใจกับนิสัยของคนแครพวกเธอช่วยเขาแต่ว่าเขากลับโกรธพวกเธอเขาตะโกนต่อว่าพวกเธอแล้วเขาก็เดินกลับเข้าไปในป่าโดยที่ไม่ได้กล่าวคำขอบคุณแม้แต่น้อยวันถัดมาพวกเธอตัดสินใจไปเดินเล่นที่แม่น้าเป็นอีกครั้งที่พวกเธอได้ยินเสียงตะโกนแล้วก็เป็นเสียงของคนแคร์ที่พวกเธอได้พบเจอ สองพี่น้องวิ่งเข้าไปช่วยเขาแต่ว่าครั้งนี้นวดของเขาติดอยู่กับปากปลาตัวใหญ่อโอออจะาาโง่เอ้ยแกกล้าได้ยังไง <c oughs> ตอนนี้นายทำอะไรกับตัวเองนะไม่เห็นหรือไงไอว่าเจปป้าปลาหน้ากลัวเนี่ยมันจะดึงฉันลงไปในน้ำช่วยฉันด้วยสโนว์ไว้และโรดแร็ตัดสินใจช่วยอีกครั้ง โอเราไม่ชนะเจ้าสิ่งนี้แน่พวกเราทั้งหมดจะจมน้ำฉันนึงต่อไปไม่ไหวแล้วฉันจะตัดหนวดของนายทำไมทำไมทาไมพวกเธอถึงชอบตัดหนวดฉันแล้วฉันจะเปิดเผยหน้าตาให้เพื่อนจะเห็นได้ยังไงจะพวกเด็กโง่ทั้งสองทั้งสองเนี่ยและเริ่มบอก และพวกเธอก็ได้ยินเสียงเสียงก้อนหินก้อนใหญ่ข้างหลังพวกเธอมีชายหนุ่มนอนอยู่มีรอยช้ำอยู่ที่หัวนี่นายเป็นใครอ่ะมาทำอะไรที่นี่เหรอฉันคือเจ้าชายอะดำฉันมาตามหาพี่ชายฉันโจเซฟเขาหายตัวไปตั้งแต่ฤดูหนาวแล้วโอ้ฉันสโนไว้ และนี่คือน้องสาวของฉันโรดเรสให้พวกเราช่วยตามหาไหมเขาหายตัวไปตอนที่มาเดินเล่นในป่ากับถุงเครื่องประดับของเขาแต่ว่าระหว่างทางเขากลับได้หายตัวไปฉันเพิ่งเห็นสิ่งมีชีวิตที่ถือถุงเครื่องประดับคล้ายๆกับของพี่ชายฉันฉันพยายามจะได้จับเขาแต่เขาสะกดฉันไม่ให้ฉันเห็นทางทำให้ฉันล้มลงแล้วหัวของฉันก็กระแทกก้อนหินอ๋อฉันขอโทษที่ได้ยินแบบนั้นเราสามารถช่วยคุณได้ เมื่อพวกเธอสัญญาว่าจะช่วยเจ้าชายเขารู้สึกดีขึ้นแต่ระหว่างนั้น <โด S 1> พวกเขาก็ได้ยินเสียงคำรามมันมาจากในป่าลึกข้างหลังพวกเขาช่วยด้วยช่วยด้วยพวกเขาทั้งสามคนขึ้นบนหลังมา้าและควบไปในทางที่เสียงมาพวกเขาเห็นคนแพะวิ่งออกมาจากถ้ำเพราะว่าถูกหมีไล่ ออกไปจากฉันช่วยด้วยโอ้นั่นเพื่อนของเราหมีทำไมถึงวิ่งไล่คนแคระละ์ล่ะเจ้าชายหยิบดาบของเขาออกมาแล้วเดินตรงไปที่หมีและคนแคร์พวกเธอสองคนรออยู่ที่นี่นะนั่นคือสิ่งมีชีวิตที่ฉันเห็นและถุงเครื่องประดับของพี่ชายฉันฉันต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เขาทําระวังด้วยนะ ออกไปออกไปเอาสมบัติที่อยากได้ไปให้หมดเลยดูคำสาบที่นายสาบไปฉันกลายเป็นตัวอะไรสิฉันไม่ได้อยากได้เครื่องปั่นดาบให้ฉันจัดการเองเพื่อนคนแคระนี้เป็นของฉันพอกะทีกับความโง่พวกนี้ถึงเวลาที่ฉันจะเผยร่างจริงแล้วนายสู้ฉันไม่ได้หรอกนายจะได้รับโทษเดี๋ยวนี้เลย เรือเข้ารถดาบฉันโยนดาบมาให้ฉันหนวดตัดหนวดมันซะพลังทั้งหมดอยู่ที่นั่นตัดเดี๋ยวนี้หลังจากที่คนแคระเปิดเผยร่างจริงสโนไว้วิ่งไปหาเขาพร้อมกับกันไกลเรดรอดวิ่งไปที่ดาบไอพวกเอ็กโง่พวกเธอคิดว่าฉันจะแกพวกเธอไว้เหรอ ไม่สโนวเจ้าชายอันนี้ว้าเจ้าชายอันดามโยนดาบด้วยความแม่นยำและมันตัดหนวดคนแคะออกทั้งหมดหนวดร่วงออกจากหน้าและหล่นลงบนพื้นคนแครเริ่มตัวเล็กลงแล้วทันใดนั้นมีก็กลายร่างเป็นเจ้าชายรูปงามเจ้าชายโจเซฟพี่ชายของเจ้าชายอันดาม เจ้าชายอดัมมองดูพี่ชายของเขาแล้ววิ่งเข้าไปกอดพี่ชายเขาที่ไม่ได้เจอมานานอ๋ออ๋อฉันคิดถึงพี่มันเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานเหลือเกินฉันก็คิดถึงนายน้องชายคนแคร์ชั่วร้ายขโมยเครื่องประดับฉันไปแล้วสาปฉันฉันต้องขอบคุณสโนไว้และเรดโรดที่ช่วยเหลือฉันทุกอย่างเลยเจ้าชายโจเซฟพูดคุยกับพี่น้องด้วยความใจดี รวมถึงเจ้าชายอดัมด้วยพวกเขาตกหลุมรักสองสาวพี่น้องและสองพี่น้องก็ตกหลุมรักเจ้าชายเช่นกันในงานแต่งงานที่อาณาจักรใหญ่สโนไว้ White, แต่งงานกับเจ้าชายอะดัมส่วนเรดโรดแต่งงานกับเจ้าชายโจเซฟตอนแรกสโนไว้และเรดโรดกลัวหมีมากแต่แล้วพวกเธอก็มองข้ามผ่านรูปลัก มันแสดงให้เราเห็นธรรมชาติที่แท้จริงของคนที่หัวใจของพวกเขารวมทั้งความเมตตาและความรักสามารถทำลายคาถาต่างๆที่โลกอาจจะใช้กับคุณ